วันเกิดหลวงตาก็ครบย่าง60สิบพอดีย่าง60เพราะว่าหลวงตากเกิดวันที่11บเอ็นิคุนาอายุปีถ้าเต็มปีนี้ก็หลวงเลี้ยงแล้วถ้าอยู่ข้างนอมีเงินคมแก่แล้วสบายตั้งแต่เกิดมา เนะก็ไม่เคยมีอายุมากขนาดนี้เลยแลวก็เป็นนิมิตหมายที่ตรงนี้นะได้มีครูบาอาจารย์ไม่ใช่มีแต่พวกหลุงกามาแน่นอนนะมาหลายองค์หลายท่านนะ ครูบาอาจารย์ผู้มีคุณนะมีคุณธรรมน ะ, นะดูแล้วก็อ่าอ่าเป็นที่น่าสารรเสริญาสาธุการกับสะของที่ได้คำขึ้นมาอ่าได้สร้างประโยชน์มหาศาลนะแก่ศาสนาแก่คนแก่แผ่นดินนะนะก็ขอสาธุการกับสะของ สถามที <necessary. S 2> ่น <Kne ad ly> ี้ด้วยนะนะหลวงตาเป็นพระอ่บ้านนอกแล้วก็เป็นคนที่เกิดบ้านนอกไม่เคยเจอแบบรุ่หลุ่ๆหลาๆก็ตื่นเต้นมาธรรมราฮะฮะจริงจริงนะโอ้เห็นแล้วเห็นเห็นใจคนสร้างไงนอนะไปเห็นงานที่เขาสร้างเห็นออะไรเขาสร้าง ตั้งใจจริง ๆ, ๆวันนี้กบุดีเจ้าของอที่ที่สระบุรีนะที่ถวายที่ที่จะสร้างวัดข่าบ่อ น, นอ้าพิษขึ้นคือมันก็ชื่ออิทพอดีไงหรือนะเขาเรียกมันคุณพิษแต่เขาเรียกมันอีิทเพราะว่ามันพอดีคำว่าอี มามามาร่วมที่นี่ด้วยแล้ววันนี้มันก็มารายงานกูว่ามันซื้อที่เพิ่มอีกเพราะว่ากัวเขาไปสร้างบ้านจัดสรรซื้อเพิ่มอีกสามล้านบาทว่างั้นท่กวันเนี่ยสาธารด้วยกูว่าแล้วว่าห้าสิบก่อไร่ไม่พอหรอก ลูกจาก็ขอสาธุการด้วยที่มีความตั้งใจเนี่ยลูกสาวเขาสองคนนะแล้วก็สามีเขาสร้างจิ้นที่มีคุณูปการต่อศาสนาก็ เ, เหมือนกับสถานที่ตรงนี้ความยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่นั่นความยิ่งใหญ่อยู่ที่จิตใจที่คนสร้างที่มีปัญหา ที่เสียสละด้วยกำลังใจจริงๆนะศรัทธาถ้าไม่นั้นทำไม่ไดนะ้นี่คือความงดงามของใจนะนะที่มันหาได้ยากนะใช่มันหาได้ยากนะนะมันหาได้ยากอย่างยิ้นนะเพราะฉะนั้นใครจะว่านยะังไงศาสนาะนะนะนะ พุทธเราจะเสื่อมจะอะไรอย่างเงี้ยหลวงตาว่าในหัวใจจิตใจตรงนี้หลวงตาว่าศาสนางดงามเสมอและทันสมัยเสมอธรรมะธรรมะไม่เคยล้าสมัยคนคิดว่าธรรมะล้าสมัยอ่ะคือคนไม่เข้าใจในธรรมะอย่าลืมว่าธรรมะเนี่ยไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่ของวัดของวานนะเป็นเรื่องของคนนะ เป็นเรื่องของคนเป็นเรื่องของจิตของใจของคนถ้าคนมีธรรมะมันจะได้เกียรติได้เกียรติยังไงล่ะคือเราเขา้เขาใจแก่นแท้ของชีวิตอย่าลืมนกะแก่นของธรรมะจริงๆของพระธรรมยังคือสติสติจริงๆกันไม่มีมีกันทุกคนแต่มีน้อยมันยังไม่พอ ถ้าคนเสียสติคนไม่มีสติคือคนบ้าตอนนี้พวกเรามีอยู่แต่สติมันไม่มีกำลังที่จะเพียงพอที่จะไปรู้เข้าไปตัดกระแสอะไรได้เลยสติเตสั้งนิวาระนังที่พระพุทธเจ้าพูดสติเป็นเครื่องขั้นกระแสะโลกเห็นไหม ทำไมอานาปณสติสติประธานสี่สติสัมโพชงฮะมีแต่สติเห็นไหมแกงแค่จริงอ่ะหมายความว่าเราจะทำอะไรก็ได้ขอให้มีสติขาดสติก็ขาดความเพียรนะสตินี่แหละคือพุทธะ ถ้าสติมีกำลังเป็นมหาสติพุทธะก็เกิดอยู่ในหมดใจดวงนั้นนะแหะจะเชื่อศีลก็ไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีสนะติจะมีสมาธิมีฌานกาบับไหนถ้าไม่มีสติก็ไม่มีความหมายนะมีสติย่อมมีปัญญา ทุกวันนี้พวกเราชาวพุทธเราคนในโลกนี้ไม่ว่าใครก็ตามนะคุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามนับถืออะไรก็ตามนะไม่สำคัญนะแต่ทุกข์นันมีอยู่จริงนะทุกนั่นแหละคือทำ ทุกวันนี้พวกเราคิดว่าอยากไปสู่พบดีๆเหมือนพวกเราทำบุญอะไรอย่างเงี้ยอยากไปสู่พบดีๆมันก็เป็นเรื่องที่ประหลาดไหมมีเลอมันมีหรือพบดีๆอ่ะในสังสารวัตรเนี้ยสามสิบเอ็ดพบเนี้ย มันจริงเหรอมันการเกิดเป็นทุกอย่างยิ่งเพราะพระเจ้าพูดเป็นคนดีก็ทุกแบบคนดีนั่นแหละเป็นคนชั่วก็ทุกแบบคนชั่วเป็นเศรษฐีก็ทุกแบบเศรษฐีเป็นคนจนก็ทุกแบบคนจน ทุกในเช่นนี้หมายถึงทุกเพราะอารมณ์เพราะกิเลสไม่ได้ทุกเพราะความลำบากทางนอกเลยการเกิดแก่เจ็บตายนอันนั้นเป็นภาษาคนย่อมมีคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายจริงไหมแต่ภาษาธรรมเนี่ย เป็นปรัาธรรมไม่มีบุคคลเกิดนะการเกิดของทางศ า, ศาสนาที่แท้จริงคือมันเกิดอยู่ทุกวินาทีหรือเรียกว่าภาษาธรรมาจิตปฏิกาสมบูบายคือเกิดจากความคิดกุงแกง ทุก์นี่แหละของกินทุกของอาาังอริยสัจจังชี่ว่าสุขมันทุลดลงนะจริงจริงๆนะดูดีๆนั่งอยู่เนี้ตายหมดเราจะตายเวลาไหนไม่รู้นั่นคือเป็นสัจัดนะ เป็นสมบัติของเราจริงๆคือคือตายแต่ความตายไม่อยากตายก็ต้องตายเพื่อนะเชื่อไหมอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะในพุทธประวัติพระพุทธเจ้าไปเห็นคนเกิดเจ็บตายนะพระพุทธเจ้าท่านสงสัยยังไงด้วยนิสัยของมหาบุรุษสำหรับหลวงตาดูนะ หรือว่าเป็นเป็นชี้ชดีเป็นการคาดเดาส่วนตัวหลวงตาว่าพระพุทธเจ้าท่านสงสัยการเิดการตายท่านว่าต้องมีทางแก้เห็นไหมท่านก็เลยตัดสินใจออกบวชเพื่อจะหาวิธีแก้ความตายทำทุกวิธีทางตลอดเวลาหกปีไปอยู่กับอาจารย์ทั้งหก จนไม่มีอะไรจะสอนไม่ว่าฌานโลกีท่านเก่งมากถึงทุกธรมาบัดทุกฌานี่ยท่านจะเรียบร้อยมาหมดเลยแต่ไม่ได้ตัดสรลุเพราะกันแก้อาการตายไม่ได้ <c oughs> จนวันเท็เ่เงวันหกือเรียกว่าวันตัดสรลุท่านแก้ความตายได้ นั่นหรือการจัดสะลุคือพ้นมาจากความตายแล้วมาจุรานมองไม่ได้ตามหาไม่เจอแล้วคือการแก้ความตายได้คือการไม่เกิดนั่นเองน้น้องนั้นไม่ใช่เดินทางเขาไม่อยากตายก็อยากเกิด ถ้าเกิดแล้วมันต้องตายแต่ไม่ตายชิงเลือกใจเล่นๆฮ่าฮ่ะแต่เราไม่รู้หรอกว่าเราตายจะตใยแบบไหนทุกคนเนี่ยเราจะคิดว่าเลือกเกิดไม่ได้คูได้ยินวาทกรรมนี้มานานวันรีเนี่ยที่จริงเลือกเกิดได้ได้แน่นอนล้านเอร์เซ็น ไม่สงสัยในคําตัวนี้เลยเลือกเกิดได้จริงไหมเลือกสร้างเหตุได้เหตุป็นัจจัยโยเลือกได้ปัจจุบันเนี่ยอยากเป็นควายก็ทําเหมือนควายอ ะ, อ, ะอยากเป็นหมาก็ทําเหมือนหมาอยากเป็นคนอยากเป็นมนุษย์เจมพุ ม, มก็มีสีนห้า ถ้าไม่มีศีลห้าไม่ใช่มนุษย์เป็นสัตว์อยากเป็นพรมก็ไปฝืกฌานได้อยากเป็นเศรษฐีอยากคนรวยก็ทานเรื่องได้ อยากเป็นพระอริยะต้องทำนิสัยเหมือนพระอริยะสร้างเหตุหือนพระอริยะได้แน่นอนอุป น, นิสยญาปัจจยอนิสัยต้นเหตุต้นปัจจัยไม่มีใครสร้างให้เราไม่มีใครโดนบนดานให้เราหรอกทำไว้ธรร ม, มะไม่ใช่พิธีกรรมธรร ม, มะ ไม่ใช่ประเพณีธรรมะไม่ใช่วัฒนธรรมอันนั้นเป็นกิ่งแกงสาขาเพราะว่าประเพณีวัฒนธรรมเราตั้งขึ้นมาธรรมะเป็นสัจจานะแต่วัฒนธรรมประเพณีเนี่ยพวกเราตั้งเป็นของท้องถิ่น เหมือนทู่งเรากจุดทู่ชอบจุดทู่ไปวัดป่าบ่อน้ําพยินมีพวกที่เคยไปไปใหม่ๆเขาจะไปซื้อทู่ไปจุดเท่าไหร่นะชิดขอดอกหรืออะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยไปถามหลวงตาเขาจะไปจุดทู่ขอเจ้าที่มันอยู่ประมาณนี้เขาเขาเคยมีเขาก็เลยไปถามหลวงตาจุดปีดดอกที่นี่จะบอกเจ้าที่เขาหลวงตาก็เลยว่าเจ้าที่ที่นี่ไม่ชอบทู่ เขบุรีนะมึงไปชื่อบุหรี่มานะตอาไปแชนะททีนี้เขาเลยถามว่านะแล้วทูกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าภาษาบาลีเป็น อ, อนักษรถ้าพูดถึงเรื่อง อ, อักษรศาหรือบาลีนะ คูปะนี่แปลว่าเครื่องทำควันในสมัยพุทธกาลเน่ถ้าไม่ไม่มีมุ้งหรอกไม่มีกฎหรอกจะเอามาจากไหนฮะโยมเขาเห็นธาเดินจงกรมเห็นอยู่งเขาก็เลยไปหาอะไรที่ไล่ยุงฮะ เครื่องทำควันให้เกิดควันเพื่อจะไปไล่ลิ้นยุงนี่แหลเขาเลยเรียกว่าทูปะภาษาภาษาเขาเรียกว่าเครื่ององถ้าเรามาอ่านเป็นภาษาไทยว่าทูปสินะแต่ถ้าอ่านเป็นบะาลีเนี่ยภาษามคธจะเรียกว่าทูปะเหมือนคําว่าพีพีรู้เนี่ ย, ยหรือผีว้านเราไม่เห็นพอเรียกว่าความกลัวพีรู้แปลว่ า, วาความกลัว มันชักเพียนเหมือนคำว่าสังขารเนี่ยพวกเราก็นึกว่านี่คือสังขารร่างกายเราจะชอบพราะว่าสังขารร่กายที่จริงสังขารในภาษาที่มันคือความคิดปรุงแต่งอะไรที่ปรุงแต่งมาเรียกว่าสังขารกายสังขารวัตจีสังขารมโนสังขาร แต่ร่างกายเนีเขาเรียกว่ารูปหรือธาตุสี่ไม่ได้เรียกว่าสังขารสังขา ร, ขารแปลว่าปรุงแต่งนะเพราะฉะนั้นในทางจริงๆเนี่ยในทางที่ลวงตาเนี่ยบอกเลยว่าความคิดเนี่ยคือสมมุติคือสังขารทั้งหมด ถ้าเมื่อไหร่เราออกจากความคิดได้มันก็เป็นอสังกตารือวิมุตติความคิดเนี่ยปรุงแดงนี่แหละคือสมมุติสมมุติว่าเป็นนั่นเป็นนี้สร้างพบสร้างชาตสร้างความมีความเป็นขึ้นตลอด อุบาอาจารย์ทุกองฝึกปฏิบัติมาโดยเฉพาะพระกรรมฐานธรรมยุท์เรียกธรรมยุท์รู้จักไหมว่าพระมหานิกายกับธรรมยุทธวันนี้ได้เจอเรียกข่าเจ้าคุณไม่ก่อนยีนะ่งหัคงเก่ง มากเลยมีความรู้แจกสารมากตรงเนี้ยไม่รู้จักกันมาหนะลวงตาไม่รู้จักหลวงตาว่ า, าการแจกสารเรื่องเรื่องเรื่องบาลีเนี่ยเรื่องเรื่องรู้ทางปริยัติทางหลวงตาก็เลยว่าระหว่างมันไม่ใช่ว่าทำมยุทธและมหานิทยาัย บ้านเราเนี่ยพูดศาสนาบ้านเราเนี่ยเรียกว่าเถรวาทคือเถรวาทีนะ แ, ะแล้วยกออกมาเป็นธรรมยุทธก็เป็นเถรวาทเหมือนกันนะแต่ว่าแยกออกมาแค่เป็นธรรมยุทธและมหานิการธรรมยุทธนี้ก็มีสองนะแยกออกมาสองนะ ธรรมยุทนี่ก็แยกออกมาสองสายเหมือนกันนะต้องทำความเข้าใจกันก่อนธรรมยุทสายคามมาวาสีกับธรรมยุทสายอัลันวาสีเห็นไหมอ่าคามไปว่าบ้านจ <laughs> ริไงไหมก็คือสายเรียนเขาเรียกว่า ท, ทันทาธุละ่าเรียนเรียนอะไรอะ่ะนักธรรมเรียนมหาเรียนประมาณนี้แต่สายที่ว่าอีกสายหนึงธรรมยุทคือที่ชอบเรียกว่าสายลมงุ่มัน่นสายป่าเรียกว่าป่าอัตลังแต่ว่าป่านไสายนี้จะไม่เรียนไม่อ่านหนังสือเลยซ้ําไป หรือเรียกว่าสายปฏิบัติหรือสายวิปัสนาทุระนั่นเองเห็นไหมพวกเรารู้ไหม ว, ว่าขนาดธรรมะประเทศเนี้ยมีสามเลยเห็นไหมย่อมมีเจตนาจางกันทัีเนี้ยเข้ามาบวชจริงไหมเพราะเราเลือก ใช่นหมกคือมันมีเจตน์ชนคมไปเจตนาแต่ต้นที่จะเขาไปบวชจริงไหมก่อนจะบวชเราก็ต้องศึกษาก่อนเพราะเราต้องลงทุนนะเอาชีวิตเอาชีวิตเราลงทุนนะการบวชไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะชีวิตเราทั้งชีวิตนะเพราะฉั้นเราจะทําอะไรเราต้องศึกษาก่อน ไม่ใช่เพื่อนบวชก็บวชไปกรรมประเพณีบวชต้องสารบวผ่านข้าสุกบวสนุกสนามที่เขาว่านะเราต้องศึกษา ข, ขอ้อว่าเราจะเลือกศาสนาแบบไหนทำแบบไหนบวชแบบไหนเข้าใจไหมหลวงตาเนี่ยไปศึกษาดูแล้วก็เลยเลือกสายอะลันวาสี คือตั้งแต่บวชมาไงหลวงากายังไม่ได้ท่องอะไรเลยไม่ได้ท่องเทพตำนานเลยไม่ได้ท่องอะไรอะไรนะสวดมนต์อะไรนะท่องท่องอยู่ตั้งแต่พออุปสมบทคือเอสาหังถ้า น, นั้นพอบวชมาก็ขึ้นอยู่เขาเลยหลวงากา ไปบวชอยู่ที่วัดป่าภูท่ามวยอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดเพราะหลวงตา ม, มีเพื่อนเป็นเจ้าอาวาสอยู่หลายที่ก็เลยไปดูแล้วว่าท่านรับเราได้ไหมภายในสามปีเนี่ย อ, อย่าไปบอกว่าเราบวชห้ามบอกว่าเราบวชห้ามปล่อยข่าวว่าเราบวช และถ้าในสามปีเราจะขออยู่เก็บตัวอยู่สามปีโดยจะไม่ทำข้อวัดร่วมกับใครรับเราได้ไหมผมอยากบวชแบบนี้เพราะผมแก่แล้วก็าพอดีมีสองวัดวัดท่ําไท้กับวัดป่าภูท่อมมวยมวยที่รับข้อเสนอข้อนี้เรา แต่ทีนี้เราก็เลยเลือกทําไมเลือกวัดป่าพูทธมณฑเพราะว่าวัดป่าวัดถ้ำไสเนะี่ยสถานที่ดีไหมแต่มีไม่ชีมีฆ่าอยู่ด้วยทีเนี้ยเราเลยว่าไม่ได้วัดถ้ำมวยนี่ท่านอยู่องเดียวเราก็เลยตัดสินใจมาบวชอยู่ที่มีฆ่าองเดียวพอเข้าโบสถออกมาพุ่งเนี้เราขึ้นไปอยู่ยอดเขาเลย สุูคนเดียวเลยนั่นแหละวิธีเลือกที่จะทำเห็นหเจตนามันต่าง ก, ากาันเจตนานั่นแหละคือการเหมือนเราบอกว่าเออเรามาปฏิบัติเนียดูลมหายใจเนี่ยมันจะเป็นตัวจนเป็นอัตตาไหมถ้าเราดูลมกำหนดลมอย่างเงี้ยนะมีคนสามว่าจะไปดูอยจะไปเพ่งเดี๋ยวมันจะเป็นอาัตตา เดี๋ยวมันจะเกิดจันหาอะไรประมาณนี้เขาว่าอย่าไปดูนะพยายามอย่าดูลมถ้ามึงพยายามไปจดูลมมึงก็เป็นอัตกาที่ไม่อยากดูลมเหมือนการกับการดูลม ก, กับการกำหนดไม่ต่าง ก, กันเป็นเจตนาล้วนเหมือนกันนีหลายคนถามลวงตาว่า อ, อถ้าไปดูตั้งใจดูเนี่ยกําหนดดูลมเข้าออกเนี่ยมันจะเป็นอาการเป็นความอยาก ลงใจว่าทำไมมาบวชถ้าไม่มีความอยากฮะเหมือนเรามานั่งที่นี่เพราะเรามีตังหามีความอยากไหมมีการปฏิบัติเหมือนกันก็ต้องอาศัยตังหาความอยากต้องอาศัยมานะ เอาอาศัยสมมติอาศัยทุกสิทุกอย่างที่พระพุทธเจ้ามอบไว้ให้จริงอาศัยอย่างมากเลยเราอยาอยาพนทุกเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่ถ้าไม่จะไปเดินจงกรมได้ยังไงถ้าไม่มีความอยากอ่ะฮะมึงจะไปนั่งสมาธินั่งทไถ้ามไม่มีความอยากอเพราะฉะนั้น เขาพูดแค่ท่านก็นพูดอาศัตัณหาเพื่อตัณหาอาศัยเมตนะเพื่อละมานะหลวงตาเคยพูดแล้วว่ามึงจะข้ามวิ่งข้ามน้ำมึงต้องอาศัยเรือถ้ามึงข้ามไปถึงฝั่งแล้วมึงจะแบบเรือไปด้วยไหมอ่ะ ไม่ต้องไปพูดถึงหรอกว่ากําหนดหรือไม่กำหนดพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วเอาสติกําหนดอยู่ในลมหายใจอยู่ในลมมีสติในลมหายใจจิตจะไม่ห่างกากช้าถ้าออกจากลมมันก็อยู่ในความคิดมีแค่นี้มันมีบถ้าอยู่ในลมมันก็ความคิดมันเกิออกจากความคิดถ้าออกจากลมมันก็ไปอยู่ในความคิด มันก็จะมีแต่คำถามกับคำตอบนั่งไปถามตัวเองสอบตัวเองมันก็จะมีคำถามเรื่องขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาอยู่ในความคิดเราก็จะถือว่าตรงนั้นคือตัวปัญญาแต่ที่จริงไม่ใช่เลย เขาัอ ง, องก็จะต้องจุดทีด่ง่ายซก่อนต้องหยุดทิด่ที่ง่ายก่อนหรือต้องอาศัยสมาธิซะก่อนจะเดินแต่ปัญญาล้วนๆเนี่ยไม่มีทางหรือเรียกว่าหลวงพ่อพุทธจาท่เรียกว่าปัญญาอ่อนคือปัญญาที่ไม่มีกำลังนั่นเอง ถ้าคนเดินปัญญาลุ้นลวนก็เหมือนกับมึงมีมีดแล้วไม่มีกำลังไม่มีแรงฟันอะไรก็ไม่ได้เราไม่มีแรงว่าฮะแต่ถ้ามึงมีเก้ากำลังอย่างเดียวมึงไม่มีมีดมึงก็ทำอะไรไม่ได้มึงจะจับต้นไม้เพราะฉะนั้นสมาธิกับวิปัสสนาทิ้งเป็นอันเดียวกันต้องอาศัยสมาธิคือหยุดความคิดซะก่อน ่อยจะเกิดวิปัสนาขึ้นแล้ ว, วตัววิปัสนาเนี่ยจะทำให้สมถะเจริญขึ้นมันจะเกื้อห น, อนุนกันไม่ใช่แต่คิดหยุดคิดถึงรู้เข้าใจไ้มแต่ที่รู้ย่อมอาศัยความคิด รู้ว่ามันหยุดได้ไงอย่ยเริ่มต้นก็ะือมันหยุดได้อ้าวเชื่อไหมว่าความคิดเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดไว้หยุดได้ด้วยทาด้วยสามประการคนเราเนี่ยจะว่างจากความคิดได้เนี่ยดูสามประการหนึ่งว่างหยุดด้วยธรรมชาติเหนไะสองหยุดด้วยสมาธิสามหยุดด้วยวิปัสสนา เหลือหยุดด้วยกันยอยาแต่ต้องหยสันเห็นไหมหยุดน้าได้เห็นไหมถ้าเราไม่หยุดคิดด้วยจะเอาธรรมาชาติเนี่ยมึงเป็นบ้าแน่ระเบิดทิง้งแน่บ้าแน่นอนนึ่งนอนหลับแหละเห็นไหมมันจะมีเวลาว่างของมันแต่เราไม่รู้จักฮะ ตอนหลับเนี่ยตัวเราหายไปไหนนอนอยู่หายใจอยู่แล้วทำไมไม่ได้ยินเสียงทาไมไม่รู้จักทำไมไม่เกิดเวทนาเลยไปไหนไนั่นแหละ <S <S ตัว เ, ยเลยถ้ามันได้หลจริงๆ น, นะถ้ามันคิดยังเย่งเดียวเยวปลี่ินเภาวเลยบ้าเลยตวามคิดอย่างนีกำลังมากมีอำนาจมาก เพราะงั้มันต้องมีควองว่างอย่างน้อยก็หลับแหละเห็นไหมแต่ดับด้วยสมาธิทีนี้เข้าใจไหมถ้าคิดอยู่ไม่มีทางจะเข้าไปสู่ฌานได้หลวงตากล้าเลยกล้าพวกเลยรเท่าเนี้ยมีสติจะเข้าฌานไม่ได้เด็ดขาดพวกที่จะเข้าฌานเนี้ถ้ามีสติอยู่เข้าไม่ได้ ฌานนี่พูดถึงเรื่องฌานโลกีนะเข้าไม่ได้มันถึงเขาเรียกว่าหินคำญาตถึงไม่เกิดปัญญาไงเพราะมันไม่มไม่มีสติอย่าไปว่าจะมีสติเลยแม้แต่สัญญาก็ได้การเข้าฌานมันถึงถอยออกไม่ได้เดินหน้าไม่ได้เขาที่บอกเข้าสู่สมาธิแล้วถอยออกนะนะอันนั้นยังไม่รู้หรอก มึงจะไปถอยได้เลยเมื่อสัญญาไม่มีบันคับไม่ได้มันจะเป็นเองอินเองออกเองตอนนั้นเราบังคับอะไรไม่ได้เลยเพราะตัวสัญญาดับหมดเลยมีจตัวรู้ที่เฉย น, นั่นแหละคือว่างจากความคิดด้วย สมาธิหรือสมาสแต่ว่างด้วยวิปัสนาเนี่ยอัชฌัํธรรมร น, นันมม้นก็งั้นว่างด้วยปัญญาเพราะมันะสมสานระหว่างสมาธิกับปัญญายุวิปัสนาเนี่ยตัวเนี้ยคืออัชฌัญความสงบเนี่ยนั่นหละตวเนี้ยทําให้คนทคนุไม่ได้เข้าฌานน ะ, ะถ้าเข้าฌานเอาสมาบาัตดเอาฌานพวก อ, อรูปฌาน เป็นนินพพานพระพุทธเจ้าไม่ต้องมาถวันเพศเดือนหกต้องอยู่กับอาจารย์ตั้งหกและนะแว่าท่านเนี่ยอเห็นอิยญาณห้าสมมาบัตเตก็ยังส่งละโลกอยู่เห็นไหมทยังไงครับที่จะใช้วิปัสสนาและสมาธิอานาปาเสติ นี่เรียกว่าเจริญทานหรือเจริญสตินั่นเองอยู่ในลมหายใจ น, นี่จะเรียกว่าะจะเข้าถึงความวิปัสสนาหรือปัญญาได้เพราะว่ามันลมนี่แหละคือสมถาวิปสัสสนาคือตัวสติตัวรู้สร้างตัวรู้ให้เด่นขึ้ น, นเรื่อยๆไม่ใช่ติดคิดความคิดเนี่ยจะเป็นผู้ถูกรู้ทีนะถ้าเราอยู่ในลมได้ความคิดก็จะผุดขึ้นบ่อยๆผุดขึ้นบ่อยอ เ ร, เราก็จะเออตัวรู้กับความคิดมันคนละตัวเจ๊ะเห็นไหมนั่นคือการแยกคาดแยกขันนั่นเองมันไม่ไไปคิดแยกนะมันจะแยกโดยอัตโนมัติของมันไม่มีเจตนาไปแยกมันจะไปคิดแยกอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อเราอยู่ในลมหายใจเราจะเห็นความคิดผุดขึ้นมากมายเลย เราก็จะเห็นว่ามันคิดอยู่ตลอดเวลาเมื่อก่อนนี้เป็นเราคิดใช่ไหมแต่ตอนนี้เป็นมันคิดละเมื่อแยกออกเด่นชัดเด่นชัดยิ่งจะเห็นชัดเจนมากความคิดน ะ, ะน่าเกลียดน่ากลัวมากยิ่งคิดมันดีลกะโมกตกระเป็ด จะเห็นความไม่ดีของตัวเองนอนอยู่บ้านมันก็ไปคิดถึงผัวคนอื่นนอนเดินอยู่กับเมียมันก็ไปคิดถึงเมียคนอื่นลูกคนอื่นแล้วมันจะมีศีลได้ ย, ยังไงเรามานั่งสงบเรามานั่งสมาธิ ที่พิงมันไม่ได้เป็นสมาธิเลยเรานั่งคัสมามันก็คิดไปเรื่อยรอบโลกเลยแล้วมันจะมีสีไหมล่ะมันก็มีสีจักลกายกับวาจาใช่ไหแต่ใจมันไม่มีสีเลยถ้ามันยังคิดอยู่แล้วมึงจะสงบได้ยังไงถ้ามันไม่คิดมันก็สงบนะหลวงตาเคยพูดว่าความคิดไม่เคยหยุดนิ่ง จนกว่าจะเกิดผู้รู้ขันก็คือตัวรู้นี่เองที่มีสติรู้อยู่ในลมเราก็จะเห็นความคิดคุ่งไปพุพ่งไปมั่งมากเนี่ยมันดับลงเองไม่จะมีใครไปดับมันเลย เพียงแต่เราสร้างสติปัญญาสร้างตัวรู้ขึ้นรู้เฉยๆจักแต่ว่ารู้นะรู้ว่ามันคิดคิดดีก็จะไปดีกับมันคิดชั่วก็จะไปชั่วชั่วของมันนะนั่นแหละตัวรู้นี่แหละตัวคือตัวปัญญาหรือเขาเรียกว่าอนุปสีตามรู้ตามดูถ้าภาษาบาลีนี่เรียกว่าพิสติสังเกต <laughs> ไม่จะไปคิด นี่เรียกว่าวิตชนาแต่แต่ต้องสร้างพลังงานขึ้นคืออยู่ในลมนี่มันจะเกิดปฏิกิยาต่อร่างกายหนึ่งจะปวดหัวหัวจึิงๆสองจะเหมือนมีพลังงานไฟฟ้าอยู่ในร่างกายโยกไปโยกมาอยู่ส่วนมากถ้ารู้จะสังเกตจะเกิดขึ้นที่ไหล่ซ้ายก่อนเพราะแถวเนี้ย ถ้าน้าผวถ้น้ า, นาหน้าถ้าหน้าหลังมันจะลงไปข้างหลังตัวนี้เจ็บเป็นใหม่ๆเจ็บเพราะว่ามีอะไรไม่รู้อยู่ในร่างกายเหรอถ้าฝึกอาณาปณะศีลนะน่าก็จะช้าๆจิ๊บจิาบจิ๊บจิเหมือนมีโมดตายนี่อะไร เ, เออเดี๋ยวถ้าพับดูเขาไปมากๆเนี่ยปากนี่จะขาดไปเลย ตาเงี้ยขาดออกเลยจะไม่มีน้ำลายก็จะเยอะเป็นสิกปกตๆๆๆๆๆๆิเอาถ้าหลงตาพูดอย่างเงี้ยจะ ต, ต้องมีคนรู้เป็นตัวเนี้ยเพราะหลวงตาไม่ได้พูดตามตำราพูดจากสิ่งตัวเองเป็นไม่ได้จำใครมา นักเข้านักเข้าหนึ่งแน่นละอกตามวัวมองไม่ค่อเห็นโอ้คุณจะตาบอดหรือเปล่าวะดูไปมากๆเนี่ยนั่งอยู่ดีๆเนี่ยอย่างเงี้ยสะเทือนเหมือนเหมือนเหมือนแพนดิวด้ว ย, ยใช่ไม่ได้เกี่ยวกับการหลับการลืมตาเลย นี่เรียกว่าสภาวะผลของอน า, านภิรัติพอเราฝึกไปฝึกไปฝึกไปมันใจจะขาดหายใจไม่รกระชัอนกระแท่นไม่อิ น, นเหนื่อยเราก็อยากหายแล้วเพราะมันแน่นแล้วอกไม่กูเป็นความดรนรืล่าเอะไรเริ่มกลัวตายแล้วก็จะเริก แต่คนที่เลิกไม่ได้เข้าสู่สภาวะนี้แล้วเลิกไม่ได้ถอนตัวไม่ได้มีหลวงตาเป็นแล้วเป็นเลยบุกไปทางหน้านหนักไม่เคยสั่งเลยไม่เคยสัง่งแม้แต่นาทีวิคนาทีเลยไม่รู้ไม่รู้เลย รวมตาเนี่ยร้องไห้โฮเลยนะโฮเลยไม่อายเลยก็นั้นอยู่บนเก่าไปหาอาจารย์ไปถามเกจิองบอกนี่จะบอกไปว่างมันแปลกนะเราก็พูดก็ไปได้มันนักหนาสาหันมาก นอนก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้เนหนักหนามากหนักไม่เคยเลยไม่เคยได้ผ่อนไม่เคยได้พักแม้แต่วินาทีต้องคุกเข่าอยู่อาจารย์เนี่ยต้องถ้ามันร้อนขึ้นมากกลางคืนมากลางกลางวันมาอาจารย์ต้องไปเปิดกองน้ำให้ให้น้ำไหลก็เพื่อจะเอาน้ำนั้นมา มาเป็นอารมณ์พูดจะขนาดนั้นเลยนะหลงการหลงการจะเห็นคุณกูบาจา้าทีนี้ไม่รู้จะทํายังไงมันทุกข์มันจะระเบิดก็เลยต้องหาอะไรทำไปขัดห้องน้ําจะไม่มีห้องน้ําจะขัดถูทะลาถูอยู่จั้งวันอะไรสัมภเวสีมันอยากให้มันออกจากลืมตัวเนี้ยจะไม่มีทาง คุกเข่าจนเขาได้เดินที่นี่ลูกซี้ลูกเริร้องไห้ไม่อายเลยต่อหน้าครูบาอาจารย์ต่อหน้าญาติโยมเนี่ยโอ้เลยท้องฟ้าเป็นผักที่ดีหน้าข้างห่างมากโรงพยาบาลตอนนั้นอยากดูดน้ำตายเพราะว่าแม่โยมแม่เนี่ยเอาไปโรงพยาบาลบ่อย ไปเช็คไปตรวจเ e อ็กซเรย์ A L A, ไม่มีอะไรปกติหมดเขาก็หาว่าหลุมกาดีบ้างีิพาราสาดีบ้าเราเราก็ไม่ตอบใครไม่พูดอะไรหนักมากแต่ไม่เคยทิ้งลมเลยมันเป็นเองของมันเอาแล้วลมเนี่ยจากลืมลมก็ลืมไม่ได้ มันก็ดูหข้มาม <c oughs> หฮะจนไม่มีทางออกเราก็เลยว่าอ้ะตายซกตายซกนั่นแหละก็เลยทิ้สงสก็ความตายแล้วก็ดับลงได้ด้วยด้วยลงด้วยแล้วก็ขาดชีวิตเราก็ตายลงไปด้วย หายอีกวันมาแต่พี่เร่หายใจออกก็เย็นหายใจเข้าก็เย็นไปทั้งอากาศแล้วเนี่ยยิ่งแปลกเวลาใจเลยนะตอนเช้ามาตีที่สิห้าทำไปยืนอยู่ที่รองร่งแล้วแผลแม่ตาไันไม่มีประมาณสีหน้าไปสี่ที่ทแผลแม่ตา โอ sí ้เย็นตั้งแต่วันนั้นมาเขาไม่ได้ทำอะไรอีกเลยจนถึงวันนี้เพราะว่ามันดูลมอยู่ตลอดเวลาเท่าปัจจุบันเนี้ย อาณาป า, านสติสมาธิลมตาอยากลืมก็ลืมไม่ได้ลมเมไม่ได้ไไดูล ม, ลมลเลยแต่มันดูเข้าปัจจุบันนี้นถ้าเกิดคิป เ, เก่าๆลมตาจะลมแรงมากคิดๆๆหายใจ เราไม่ได้หายมันเป็นเองมันผัดรันอะไรไม่รู้อยู่ในร่างกายมีพลังงานอยู่ตรงไหนมันต้องออกทางรูระบุพวกเอเจน้์พวกไมชีเจนพวกพระที่อยู่แบบลุงดังกูบาดโดนอะไรที่อยู่ลงกามานานห้องตาเคยบอกว่าอีกสิบปีข้างหน้าลมลวงตาจะค่อยเบาเลงแล้วถ้าจะตัดสภาพในอีกสามปีทาน้นตอนนี้ก็ยังมีอยู่ ยังแต่มันเมออาลงแล้วคือมันปรับสภาพภายในเขาภายนอกเราะจะเหมือนกันไม่ต้องดูมันดูเองและหลวงตาเนี่ยหลับยากมากมอมีภาคที่อยู่ในตากับหลวงตาองค์หนึ่ง แกจะเดินมาเวลาแกเกิดอะไรขึ้นจะมากันคื น, นยอยู่คนละมุมป่าตอนที่หลวงตาไปอยู่ในป่าสามสิบแกมาทีไรจะเห็นลหลวงตานั่งเป็นแกถามว่าหลวงตานอนบ้างไหมนอนมาทีไรจะไม่เห็นลหลวงตานั่งก็ตอนคุณนั่งมันก็มาพอดี <c oughs> <c oughs> จริงๆนะ เราก็ไม่รู้ว่าใครรักแต่เราขึ้นบนล่างมันก็มาตรงที่เลยลุงกาถึงข้าวนาะลุงการถึงว่าอ่ไม่อยากให้ใครไปนอนสติลุงกาเพราะกลัวเขานอนไม่กิน เพอว่าบางทีเนี่ยที ห, หนงา ก, นก็ตื่นนะใช่ไหมฮะบางทีหกทมน่าสี่นาทีบางทีลุกตืนขึ้นมามันก็จะนั่งมันนั่งของมันมัน่างงนั่งไปง่าเ น, นั่งหรนะทอทกเพีุ่มเนียอกจากพอแล้วพอแล้วปวดทีนะ ก็าจะพยายามขยับบัวก็ลุเข้าห้องน้ำเกาจะมานั่งอยู่ข้างนอกยืนยันแจ้งจะเป็นอย่างนี้ครูบาอาจารย์จะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อาจารย์ตะวันเอคาอครูบาชายไม่ใช่หรอบางทีหลวงตาตื่นมาพวกที่จะนั่งอยู่กัน คือจะเอานั่งนี่แหละปพักจะไม่ไม่ใช่มานั่งไปอยากได้สมาธิไม่ใช่นะ น, นั่งพักที่คือนั่ ง, งกิจเกลียต่อพักได้ดีกว่าเพราะถ้านั่งนี่แหละแต่ทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วถ้าจะพึกเอานะฝึกเอาฤทธเอาเดชอะไรได้พึทธในอนาคานัตติ นี่อยู่ในอนาปาฏิ26เลยนะความเฉียดความวิชความเดชความการอะไรอยู่ในนี่แหจะเจ้ามาทำไมอ่ะทำไมทำไมเามาแสดงให้พวกมึงศรัทธาเนี่ย ถึงจะหนีมึงจะทศชาติไม่จะทาติมันเรื่องของมึงแล้วไม่เกี่ยวแล้อาณาภาหน้าศรีลงสาจริงย่าอย่ า, ภาภลืมลมฟ้าถล่มดินถลายโลกจะแตกเขาอยากออกจากลมอย่าลืมลมถ้าใครอยาก เข้าไปถึ ง, ง, งความทุกข์จริงๆอานาปานสติเป็นยอดแห่งมกุเช น, นันนะัครัจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นจะตายให้มันตายเลยเถะตายอยู่ในอานาปานสติ การพัฒนาภาว น, นาแปลว่าพัฒนาพัฒนาสติวันนี้เนาะหลวงาก็คุบว่บาชายพูดคุบาชาการพูดฟังมาเยอะแล้วล่ะฟังมาจนหูอื้อแล้วล่ะ ครูบาอาจารย์ตีกันอยู่ในหัวนี่ไม่รู้อาจารย์สนักไหนกันเจ้าออกได้หมตัวเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เหมือนกับโทรศัพท์ก็จะออแล้วโหลดจะอะไรเข้ามาก็ไม่รู้ไม่เคยเลยไม่เคยล้างเลยไม่เคยรีเซ็ตเครื่องตัวเองพัฒนารีเซ็ตตัวเองจนว่างไหมให้มันว่างจากโรงงานไหมว่างจากข้อมูลนะ นั่นแหละพัฒนาให้มันว่างปล่อยเข้ามารู้อยู่อย่างเดียวมันจะคิดอะไรปล่อยมันออกมานี่มวลมึงคิดมาเราจะอยู่ในลมเราจะดูงออกมาหมดหมดมันก็หมดเป็นเหมือนกันาดความคิดแล้วก็กลายเป็นคนสิ้นคิดสิ้นคิดสิ้นตูวสิ้นกรรม มานที่มีฤทธิ์คือความคิดของเราเองนี่คือพระทิ่งชิดอุปสรรคยิ่งใหญ่ในชีวิตคือความคิดของเราเองไม่มีอะไรทําร้ายเราได้บ่อยเท่าความคิดของตัวเราเองหออยู่คนเดียวมันก็หลอกเราเองขอให้กบลังใจ หวังว่ามาที่นี่ะหลวงตาก็ไม่ค่อยให้เสียเวลาเลยนะตลอดที่มาเนี่ยนะได้ว่างได้พักก็เต้นที่เลยนะพูดทั้งวันมีไปพักผ่อนไปรับหยู่เงียบนึ่งขอให้ไปพักผ่อนไปยืดเส้นยื ด, ยดสายใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เข้าที่ พรุ่งนี้ก็จะอยู่อีกจนนั้นทั้งหน่อยเพราะว่ามีเพื่อนเราเรียกว่าเพื่อนมาจากเยอรมันินมาเพื่อจะมากราบอยู่ที่นี่สั้นเสร็จแล้วจะรอเขาพักเงิกันนึแล้วค่อยจะเดินทางงานเลี้ยงย่อมมีการเรลืกเลาอันนี้โกลเล้งนะเนี่ย <laughs> สำหรับธรรมะย่อมทัดราบจากของรักของเจริญใจซึ่งหวังว่าถ้ามีเวลาเขาจะได้ามาตีละครั้งก็คงจะนั่นอยู่เพราะว่าหลวงกาจะรับนิมนตีละครั้ง มาครั้งนี้เขาตรงตรงสุดง น, นี้จะเป็นสุดที น, นี้ก็ไม่รับแล้วตอบไปวา่าอลไรก็หยุดละทเ น, นี้ปีหน้าเขาจะออกออกมาอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าที่ออกภาษาจะเป็นประเทนนี้ก็คือบ้านเนเชเชนตรงนั้นเพราะว่าหลงตาจะไปทุกปีสามวันสามคืน แต่ไม่ได้ไปบ้านนะไปทุ่งนานะใครกลัวลำบากเขาไม่ต้องไปที่นั่นหลวงตาจะเป็นเจ้าภาพทั้ง3วัน3 000คืนนะเป็นที่นาของไอ้ใหม่กับนม่เช่นกับนมกชื่อเชิ่นนะเพราะเขาขอทุกปี กลายเป็นประเพณีว่าออกพรรษาไปปุกบงตาจะไปตรงนั้นแต่ไม่ได้ไปบ้านใครไปเป็นจะอยู่ที่นาสามวันสามคืนจะ ม, มีคนเป็นก็ภาพเลี้ยงอาหารตลอดสามวันสามคืนกินฟรีแล้วก็จะมีหน้าหนาวพวกนีจะมีผ้าห่มแจกด้วยให้ความอบอุ่นด้วย ไปฉิงไฟกันไปเป็นลูกทุ่งหน่อยเว้ย่จะทุ่งาถ้าไปขี้ก็ไปขี้ในสวนมันเขาเ้ยมึงเคยขี้ไหมเลยขี้ในป่าในสวนมันอะเนีมึงไปลองดูนะโอ้โหถ้าเย่างนี้าชมแสงันด้วยนั่งขี้ไปเลยมันจะการดีมา้งจริงเหรอจ่ิงยังอนตรีจริง สามวันสามคืนที่นั่นนั่นคือประเพณีแล้วก็คงจะหยุดแล้วก็จะมาก่อนเข้าภาษาเนี่ยแค่นั้นนะเนาะทีนาก็จะเป็นอย่างนี้แนหะไปอย่างนี้ทั้งเดียวปีนี้ก่อนเข้าภาษา หลวงจาก็ <c oughs> มีคุบาชายมีอาจารย์ตะวันแมชีเก้ลแลวก็จะมีพระรุ่นใหม่ๆขึ้นมาอยู่หลายองค์หลวงจาก็ได้เบาแรงลงน ะ, ะคือเขาก็อยากไม่อยากให้หลวงตานั่มมากไปเขาอยากเอาไว้ใช้นานๆเขาว่างหลวงตากปกติก็ของทุ่มก็จะไล่สุด อยู่ปกติก็เองอถ้ากลับไปวัดก็หลวงตทุ่มก็จะเล่หมดก็เลยเป็นมวยแทนปกติหลวงตาทุ่มหนึ่งตอนนี้ยกให้พวกครูบา่ายครูบาซุยครูบาเจาบไงไอซีเจ้นอย่างเงี้ยปกติหลวงตาจะทุกวันไงหลวงตา ก, ก็เอาเวลาทุ่มหนึ่งให้เขาหมดนะ ปกติพอดีเขาก็อยากเห็นหลวงกาหลวงกาก็เลยไปเอาตอนที่สสนทนาธรรมพอสนทนา 4, ที่สี่ทีเนี้ยเราก็เลยแบ่งให้เวลาให้ให้ท่าพวกกุมารจอมกุมารตุยไปกุมารใสา่ไปหลวงกาก็เลยเก็เลยมาเอาตอนสองพุ่าบว่าบางคนก็อยากเห็นหน้าหลวงกาเนาะหลวงกาก็เอา มามาทำสองทุมตอนนี้สองทุ่มสองทิศก็เออเอาเอากูวาดชอบกูวาดใสมาแก้มฮะก็ยังมีคนดูอยู่มีไหมน้าวันเนี้ยมีคนดูกูไหมเนอะเห็นไหมมีคนดูลงตาอยู่นะเห็นไหมยังมีอยู่กนไปไล่ชั่วโมงไหนเขาก็ตามดูอยู่ะ ก็เลยว่าเขาเกิดประโยชน์ให้เขาเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาได้มีสติมีปัญญามีอะไรทำใช้ชีวิตนะถ้าใครอยากปฏิบัติทำนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัววัดตาบ่วน้ำที่ท่านนะไม่ว่าท่านจะเป็นใครมาจากไหนท่านคือคข้าครัวของเราคือญาติธรรมของเรานะยินดีต้อนรับทุกคน วันนี้ก็ขอสาธุ ก, การกับเจ้าของสถานที่อีกครั้งหนึง่งนะลงจาก็าไปมาหลายที่เนาะนะก็เห็นความยิ่งใหญ่ของสิตใจของคนเห็นศรัทธาของคนน ะ, ะก็ขอสาธุ ก, การจริงนะขอสาธุ ก, การด้วยคำสาธุ